วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่สองมีนาคมพุทธศักราช2539นับเป็นการบรรยายครั้งที่เจ็ดในหัวข้อเรื่องว่าด้วยการบรรลุ ธ, ธรรมของพระญาบุคคลบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วใครขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัต tha ได้บรรยายในหัวข้อเรื่องดังกล่าวสืบต่อจากคราวที่แล้วเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ ท่านสาธุชนผู้ใคร่ธรรมที่เคารพวันนี้จะอธิบายเล่าประวัติของพระเทระซึ่งเป็นพระอรหันต์สืบต่อจากคราวที่แล้วองค์ที่จะกล่าวถึงเป็นองค์ต้นของวันนี้เป็นองค์ลำดับที่สามสิบเจ็ดองค์ลำดับที่สามสิบเจ็ดชื่อของท่านที่ปรากฏในนี้ว่ากุมาปุตตะสหายก็แปลว่า พระเถระที่เป็นเพื่อนของท่านกุมาปุตตะคือองค์ที่สามสิบหกที่เรากล่าวถึงประวัติท่านมาแล้วนั่นเองเมื่อท่านเป็นสหายกันก็แน่ละครับท่านเป็นชาวเมืองเดียวกันคือเป็นชาวแคว้นอวันตีอยู่ที่กรุงอุเชนีเช่นเดียวกันและท่านผู้นี้ก็เกิดในตระกูลที่มั่งคัง่งอยางเช่นเดียวกับท่านกุมาปุตตะคือมีฐานะ ทางครอบครัวเสมอกันชื่อตัวซึ่งเป็นชื่อเดิมของท่านเนี่ยครับอท่านไม่ได้ชื่อกูมาปุตตะสายหรอกชื่อตัวของท่านที่พ่อแม่ตั้งให้นั้นชื่อว่าท่านสุทันตะตากสุธันตะมานพบก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เมื่อท่านกุมาปุตตะคือพระเทเรซองค์ก่อนได้มาบวชข่าวก็รู้ไปถึงหูของท่านกูมาปุตตะสาย เมื่อเห็นว่าเพื่อนไปบวชแล้วก็ออกบวชตามโดยเข้าไปฟังธรรมะในสำนักของพระผูมีพระภาคก็เกิดความเลื่อมใสเมื่อเลื่อมใสก็บวชเมื่อบวชแล้วก็ไปภาวนาธรรมคือจะเดินวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่ท้ายเขาที่เดียวกันกันกบท่านกุมารปุตตะผู้เป็นเพื่อน ได้ความว่าไปปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันนั่นเองอเมื่อไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นด้วยกันคําว่าด้วยกันไม่ได้แปลว่าไปอยู่กุฏิเดียวกันกินด้วยกันนอนด้วยกันแต่หมายเอาเพียงว่าไปอยู่ในอนาบริเวณเดียวกันในที่ใกล้กันเมื่อเวลาอว่างจากกรรมฐานหรือเวลาออกจากกรรมฐานก็สามารถที่จะมาพบปะพูดคุยกันได้ตามการสมนะ ค, ควรเออ จุดที่ทำให้ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นเราว่าในสมัยนั้นสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้ถึงกับหมายความว่าวันใดวันหนึ่งก็คือเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งภิกษุมากรูปด้วยกันพากันโกลาหนโกลาหนหมายถึงโกลาหนหน้วยกายบาง้วยวาจาบ้างเพราะว่าภิกษุพวกนี้นะ่ะ ได้พำนักปฏิบัติธรรมอยู่ในที่เดียวกันเป็นภิกษุพวกอื่นต่างคนต่างทรมแต่ภิกษุพวกนี้ไม่ได้ทำอเหตุที่โกลาหนนั้นก็คือโกลาหลนด้วยเรื่องราวที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้เที่ยวจาริกไปยังชนบทต่างๆคนละที่คนละแห่ง แล้วก็มารวมกันที่นั่นเมื่อมารวมกันก็พากันพูดคุยส่งเสียงเจียวจ้าด้วยความสนุกสนานร่าเริงว่าองค์นี้สององค์นี้สามองค์นี้ได้เดินทางจาริกไปยังชนบทนั้นชนบทนี้เจอเรื่องนั้นเรื่องเรื่องนี้พบคนนั้นคนนี้เจอเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้ก็เอามาคุยกันเป็นเรื่องราวเจียวจ้าวุ่นวายอาท่านกุมารปุตตะสหายได้เห็นเข้าก็เกิดความสลดใจเกิดความสลดใจ คือสลดใจแก่ภิกษุพวกนั้นว่าบวชเข้ามาในธรรมวินัยที่เป็นนิยานิกระธรรมคือเป็นธรรมเครื่องนำออกจากสังสารวัฏแต่เหตุใดภิกษุเหล่านี้จึงใช้เวลาของการบวชใช้ชีวิตของนักบวชเนี่ยไปเที่ยวเตะแล้วก็เอาเรื่องเที่ยวเตะมาสนทนากันเป็นเรื่องเดรัจฉานกาถานอกจากจะทำให้สมาธิของตัวเองไม่ตั้งแล้วก็ทาให้สมาธิคน อ, อื่นไม่ตั้งด้วย สมาธิของบุคคลใดที่ได้แล้วก็เคลื่อนจากเรื่องอสนทนาด้วยเดรัจฉานคาถาเหล่านี้ด้วยท่านก็เกิดความสังเวชสลดใจนี่เรียกว่าเห็นพฤติกรรมชั่วของบุคคลอื่นแล้วตั้งโยนิโสมนติการเป็นก็จะไม่เกิดความโกรธความโทมนัสเรียกว่าเปลี่ยนมาเป็นอารมณ์ของความสังเวช และในสำนวนคำภีท่านใช้คำว่าใช้ความสังเวชนั้นเป็นขอสับจิตของตัวเองคำว่าเป็นขอสับจิตคือประการหนึ่งหมายถึงสอนตัวเองด้วยพฤติกรรมคนอื่นแม้เป็นพฤติกรรมชั่วก็สอนได้ด้วยหักมาเป็นความคิดในทางตรงนั้นข้ามนี่ประการหนึ่งแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คืออ่เป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดความเพียรว่าเราจะได้ไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อท่านเหล่านั้น ภิกษุพวกนั้นเป็นอย่างนั้นเดินไปทางนั้นท่านจะเดินไปอีกทางหนึ่งด้วยความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้ได้ความคิดขึ้นแล้วก็กล่าวคาถากล่าวคาถาคาถานี้นะเป็นคาถาที่ท่านกล่าวสองครั้งครั้งแรกกล่าวในฐานะที่เป็นคําเครื่องแสดงความสังเวชหรือเป็น ที่พูดว่าคาถาที่กล่าวขึ้นมาเพื่อสอนตัวเองและเมื่อสอนตัวเองจนกระทั่งได้รับความสำเร็จคือกระตุ้นให้ตัวเองปฏิบัติทมได้รับความสำเร็จแล้วเมื่อบรรลุเป็นพระอราหันต์แล้วก็มีความรู้สึกทราบซึ่งในบุญคุณของคาถานี้มีความประทับใจต่อคาถานี้จึงได้กล่าวคาถานี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านเป็นพระอราหารันต์ ผมขอกล่าวคาถาของท่านให้ฟังในลักษณะคำต่อคำดังต่อไปนี้ท่านกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายไม่สำรวมกายวาจาใจพากันเที่ยวไปสู่ชนบทต่างๆทอดทิ้งสมาธิการเที่ยวไปสู่แคว้นต่างๆจกสำเร็จประโยชน์อะไรเล่าเพราะฉะนั้นภิกษุ พึงกําจัดความแข่งดีแข่งดีเนี่ยหมายความว่าเอาเรื่องการท่องเที่ยวเนาะ่มาคุยโอ้อวดกันเอาแพ้เอาชนะกันประกวดประกันกันในเรื่องของประสบการณ์ที่ได้เห็นมาท่านจิงใช้คาว่าแข่งดีก็เลยเกิดกิเลสซ้าซ้อนกันสองชั้นเดละชะน์คาถาอันหนึ่งเดละน์คถาที่เอาเรื่องการท่องเที่ยวไปในหนทางอันเป็นอโรจรเอามาคุยกัน เป็นประโยชน์แก่ ก, กิเลสคือมานะที่เรียกว่าแข่งดีท่านจึงใช้ก็ว่าเป็นความแข่งดีที่จริงนั้นภิกษุพึงกำจัดความแข่งดีไม่ใช่ไปสร้างความแข่งดีให้เกิดขึ้นแล้วท่านกล่าวต่อไปว่าอย่าให้มิจฉาวิตกและกิเลสมีตันหาเป็นต้นครอบงำพึงเจริญฌานคำพูดนี้นะ่ะพูดเพราะปลาลบหมูภิกษุผู้ประพฤติอันไม่ชอบเหล่านั้น แต่หากเข้ามาเป็นเครื่องสอนตัวเองว่าพึงเจริญฌานฌานของท่านก็หมายถึงอารามณูปนิชฌานคือสมาธิและลักคนูปนิชฌานคือการเจริญวิปัสสนาคําพูดนี้จึงเป็นคําพูดที่พูดถึงคนอื่นแต่พูดเพื่อสอนตนเองไม่ใช่เป็นคํานินทานั้นถ้าเราจะเทียบกับคํานินทาภาษาของผู้ดชนทั่วไปเนี่ยนินทาในลักษณะ นินทาเพื่อว่าคนอื่นเขาเลวอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองด้วยต่อคนอื่นด้วยต่อคนฟังด้วยคนถูกนินทาด้วยแต่การนินทาในลักษณะปราลบพูดถึงความชั่วนึกถึงความชั่วคนอื่นแล้หักเข้ามาเป็นเครื่องสังวรเครื่องสำรวมแก่ตัวเองอย่างนี้เป็นคํานินทาของพระอรหันต์นี่เป็นสำนวนที่เราพูดเทียบกันนั้นเองจริงๆแล้วไม่เรียกว่าเป็นคำนินทา เพราะคำนินทานั้นสงเคราะห์ลงเป็นคําส่อเสียดแต่คําอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสังเวคาถาเป็นสังเวกาถาหรือเป็นคําแสดงความสังเวชซึ่งเป็นประโยชน์แก่ตนและเมื่อบรรลุแล้วท่านก็ประทับใจในคําคาถาที่ท่านกล่าวอย่างมีคุณค่าคือคําที่ตัวเองพูดสอนตัวเองเลยเป็นเป็นอรหันคาถาของท่านเมื่อบรลุเป็นพระอรหันแล้ว่่นีก็อ่านให้ฟัง เต็มๆนะฮะบังเอิญั่านพูดสั้นไม่ยาวเยินเยอะก็เป็นอันว่าท่านบรรลุอลหรหันต์แล้ว <c oughs> และสิ่งที่อยากกพูดต่ออีกนิดหนึ่งก็คือว่ า, ามีบุญที่ท่านได้ทำไว้ในอดีตอยู่เรื่องหนึ่งอันนี้เป็นข้อคิดแก่เราในอดีตนั้นท่านได้ทำบุญเป็นพลังเบื้องต้นเอาไว้ในสมัยพระพุทธสิทธัตถะ ที่ถือว่าเป็นบุญที่เป็นปัจจัยให้ท่านได้บรรลุธรรมเจริญในธรรมสิ่งชั่วร้ายไม่เป็นอุปสรรคแก่ท่านได้ก็คือเมื่อสมัยพระพุทธษษษสิทธิศัทธาอุบัติขึ้นในโลกประกาศพระพุทธศาสนาอยู่นั้นได้พาภิกษุสงฆ์มูหญ่สเสด็จเที่ยวจาริกไปสู่ที่นนที่นี้แล ะ, ะท่านกุมารปุตตะสหายเนี่ยได้เกิดเป็นอุบาสกคนหนึ่งได้ทาบุญด้วยวิธีหนึ่ง คือให้ยานเป็นทานการให้ยานเป็นทานนัานทำได้หลายวิธีวิธีของท่านนั้นท่านไปตัดไม้เท้าคือไปตัดไม้ในป่าเนี่มาทําไม้เท้าถาวายพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์บ้างเป็นพระอริยะเบื้องต่ำกว่านั้นบ้างเป็นพระปุถุชนบ้างก็ตามทําทเป็นสังฆทานการถาวายไม้เท้านีถือว่าเป็นยานทานให้ยานเป็นทานเหมือนกับถาวายรองเท้า รองเท้าถือเป็นยานชนิดหนึ่งเหมือนกันและในประวัติของพระที่ให้ยานเป็นทานในบุพชาติของท่านที่อยากจะกล่าวย้อนไปนิดหนึ่งนะฮะคือเห็นเป็นเป็นยานนาทานแปลกดีออย่างสมมุติว่าถ้าเราเป็นเป็นคนหมายถึงไม่มีรถไม่มีลาไม่มีเกวียนไม่มีรองเท้าไม่มีไม้เท้าตัวเราเอง อาจจะเป็นยานทานได้ถวายตัวเองในลักษณะที่เรียกว่าเช่น อ, อพระโพธิสัตว์ในพระชาติแรกตอนที่เกิดเป็นสุเมธดาบททอดตอนเองให้พระพุทธเจ้าและพระสงค์เดินข้ามเรียกว่าเป็นยานทานแต่ว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เดินข้ามจริงหรอครับพระสงฆ์ก็ไม่ได้เดินข้ามแต่การที่ท่านได้ทอดตนลงไปด้วยเจตนาอันสําเร็จแล้วอย่างนั้น ถือว่าเป็นญาณทานเหมือนกับถวายชีวิตเป็นทานเนี่ยถวายแล้วจะตายหรือไม่ตายเรียกถวายชีวิตเป็นทานแล้วเพราะฉะนั้นหลายชาติรูุ้ทธเจ้าทรงอุทิศพระองค์เป็นเป็นทานคือถวายชีวิตเป็นทานในชาติที่เป็นเดรัจฉานว่งเป็นมนุษย์บ้างแล้วก็เกิดไม่ตายก็ถือว่าถวายชีวิตเป็นทานสําเร็จแล้วด้วยถวายภรรยาเป็นทานแม้ว่าเขาจะเอามาเอามาคืน เขาไม่ได้เอาไปเป็นประโยชน์ในลักษณะเหมือนกับให้โดยประการทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าได้บริจาคประยาเป็นทานเหมือนอย่างกนีพระเวสสันดรคราว น, นี้เรื่องของการนำตัวเองเป็นยานได้มีพระเถระองค์ต้นอย่างเช่นองค์ที่สิบสามองค์ที่สิบสามเราย้อนไปดูนะฮะท่านเคยเกิดเป็นเต่าใหญ่ในชาติที่ท่านได้ทำบุญ กับพระพุทธเจ้าถาวายตัวเองเป็นญาณทานแก่พระพุทธเจ้าคราวที่ เ, เราไปดูอ ง, งค์ที่สิบสามชื่อว่าท่านวณณวัชชาเถระท่านวณณวัชชาเถระนั้นได้ถาวายตัวเองเป็นญาณทานแก่พระทัดสีบุตรเจ้าเมื่อพระอ ง, งค์ได้สเสด็จ ด้วยประสงค์จากข้ามน้ำแม่น้ำสายหนึ่งก็พอดีท่านวณวัชชะในตอนนั้นน่ะเกิดเป็นเต่าใหญ่ได้เห็นเข้าก็เกิดศรัทธาอ่าอันนี้ก็มีข้อสังเกตที่เราก็ต้องพูดให้ข้อสังเกตกันไว้เรื่อยๆนะฮะว่าในลายฉานกับพระอริยะเนี่ยบุคลิกของพระอริยะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นประโยชน์แก่สติ ทำให้แม้เดรัจฉานก็เกิดกุศลจิตขึ้นได้โดยพระบุคลิกเพราะฉะนั้นเดรัจฉานนั้นจึงมักจะมีความสำนึกในทางกุศลที่จะรับใช้ที่จะช่วยเหลือพระอริยะแม้ในยุคนี้ก็ตามกับพระพุทธเจ้านั้นแทบจะเรียกว่าเป็นธรรมดาปกติทั่วไปในตอนนั้นเต่าเนี่ยก็มาเห็นพระพุทธเจ้ามีทำทีว่าเหมือนประสงค์จะข้ามน้าความจริงพระพุทธเจ้า ก็ตอนนั้นนี่จะมีประสงค์ข้ามน้ำหรือเปล่านั้นไม่ได้เราแต่เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเห็นว่าเต่านั้นได้คลานว่ายเข้ามาสู่ที่ประทับยือนอยู่ที่ริมฝั่ทงทบบออี่พระผู้มีพระภาคทรงเสด็จประทับยืนอยู่พระผู้มีพระภาคได้อ่านใจความประสงค์ของเต่านั้นออกก็ทรงสเสด็จยืนบนหลังเตา่าเต่ายักษ์และเต่านั้นก็พาข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่ง เต่าเมื่อได้ทำอย่างนี้ขณะทำก็ดีก่อนทำก็ดีหลังทำแล้วก็ดีเกิดปีติสมนัตอย่างแรงกล้าเป็นยาณทานที่เป็นเรียกว่าเป็นมหากุศลโสมนัตที่เกือบจะเรียกได้ว่าประกอบด้วยปัญญาระดับหนึ่งเกิดขึ้นแก่เต่านั้นนี่เป็นบารมีที่ท่านได้ทำไว้อ่ที่พระเทระรูปนั้นคือองค์ที่สิบสามนะทีนี้อีกองค์หนึ่งองค์ที่สามสิบ อันนี้น่ากลัวหน่อยครับถ้าไปเจออย่างนี้เราคงไม่กลา้ารับการสงเคราะห์องค์ที่สามสิบนั่นคือท่านอุติยาที่เร่าข่าวที่แล้วท่านได้ทำยานในลักษณะเดียวกับเต่าและได้ทำกับพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งมีความชื่อว่าพระพุทธสิท ธ, ธาเนี่ยมีความประสงค์จะข้ามแม่น้ำจันทราภาคาในชาตินั้นท่านอุติยเกิดเป็นจระเข้ใหญ่เรียกว่าจระเข้ยักษ์ เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำจันทราภาคาก็เกิดมีความเรื่มใสเข้าใจความประสงค์ของพระผู้มีพระภาคว่าประสงค์จะเสด็จข้ามฝากก็ว่ายน้ำลี่เข้ามาใกล้พระผู้มีพระภาคแล้วก็ทอดตัวเชื่อมมาทางมาที่ริมฝั่งให้พระผู้มีพระภาคเสด็จเหยียบ ที่บนหลังแล้วก็ว่ายข้ามไปด้วยความรวดเร็วถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งด้วยความปีติสุขสมนัดอย่างแรงกล้าเช่เดียวกันนี่เป็นการให้ยานทานของเดลัยฉานคือจระเขเราฟังแล้วเนี่ยถ้าเป็นเราเราคงไม่กล้าลถ้าใครอยากจะจะให้จระเขททำยานทานก็ลองไปแถวฟาร์มจระเขลงไปขี่หลังดูก็ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านคงรู้ท่านคงรู้ มรู้ว่าเจระเข้นั้นมีความประสงค์อย่างไรและท่านก็ประทับยืนบนนั้นด้วยความประสงค์จะอนุเคราะห์เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลแก่จระเข้อันนี้เป็นเป็นยานท า, านที่ใช้ตัวเองนี่แหละเป็นยานเราถึงมีธรรมเนียมอันหนึ่งนะเวลาคนจะบวชนาคเนี่ยเราจะนิยมไม่กี่คออันนี้สงเคราะห์เป็นยาณท า, านนะ อย่าไปเที่ยวผู้กันแนะกันแหนกว่าเดินดีๆก็ได้ไปขี่คอเดี๋ยวนาคตกลงมาคออาจตายถ้าเกิดนาคที่ขี่คอแล้วบวชเข้าบวชบวชแล้วเป็นพระอรหันเนี่ยก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้ได้อุทิศตัวเองให้เป็นญาณทา น, าานแก่ผู้ที่เป็นพระอรหันดีกว่าไปหามาหาช้างหารถมาให้ขี่ให้อาศัยได้ซ้า เพราะว่าการเอาตัวเองเข้าไปนั้นถือว่าประเสริฐกว่ายานภายนอกนี่ก็เลยเล่าประกอบเทียบให้ฟังเลยไปถึงอีกองค์หนึ่งครับองค์ที่สามสิบแปดองค์ที่สามสิบแปดชื่อว่าท่านขาวามปติท่านขาวามปตินั้นเราคุ้นชื่อท่านพอสมควรได้เคยเอ่ยชื่อท่านมาแล้วดูเหมือนจะในเอตทัคะพระอราหันต์ที่ได้รับยกย่องเป็นวิเศษ แต่ว่าเรี่ยวนี้เราจะพูดอพิสดารกว่าตอนนั้นหน่อยท่านเข้าวอมปติเนี่ยเป็นใครถ้าสืบเรื่องราวให้ฟังแล้วก็จะนึกออกปฏิปโตเป็นผืนเดียว ก, กันกับเรื่องราวของพระเทระผู้มีชื่อเสียงองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาท่านเขวอมปตินั้นเป็นชาวแควนกาสีและ บ้านของท่านก็อยู่ในเมืองพาราณสีเป็นลูกของเศรษฐีที่เป็นเศรษฐีสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุและก็ถ้าจะแนะนําต่อไปอีกนิดนึงเราก็จะลองอว่ว่าท่านผู้นี้เป็นเพื่อนกับพระยศสมัยยังไม่ได้บวชและเมื่อพระยศออกมาบวชท่านขาวามปตินั้นเป็นเพื่อน หนึ่งในสี่รูปหนึ่งในสี่คนที่ได้ทราบข่าวว่าพระยศออกบวชก็ชวนกันและกันไปหาพระยศเพื่อจะไปถามว่ า, าไปดูว่าบวชจริงหรือเปล่าการบวชบวชแล้วเป็นอย่างไรก็ไปหาประยศก็ไปหาที่ป่าอิสิปตนามฤกัยวันนั่นเองเมื่อไปหาแล้วก็เกิดความเลื่อมใสพระยศก็รับรอง ความน่าอภิลมของการถือเพศบรันรพชิตแล้วก็พาไปฝ้าพระบุตธเจ้าพระบุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนุปุพิกถาพอแสดงอนุปุพิกถาตบท้ายด้วยอาลียสัตถ์ก็บรุเป็นพระอาหารหันเลยเรียกได้ว่าบรรลุเป็นพระอาหารหันเร็วกว่าพระยศเองได้ทำไปพระยศนั่งฟังอนุปุพพิกถาทีแรกไม่ได้บรรลุแต่ฟังซ้ำสองเมื่อพ่อ ตามมหาโดยพระผู้มีพภาคทรงบังตาพ่อไว้ไม่ให้เห็นลูกชายแสดงอนุปพิกถาซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็บรุเป็นพระอระหันต์เมื่อฟังครั้งที่สองท่านอย่าได้สงสัยนะครับว่าธรรมะเนี่ยทำไมถึงฟังซ้ำแล้วจึงมาบรรลุเที่ยวสองก็ฟังทีแรกก็น่าจะบรรลุไปซะเลยถ้าจะบรรลุเพราะเรื่องธรรมะข้อนั้นข้อนี้ก็ตอบด้วยว่าธรรมะ ในขั้นลึกเนี่ยครับยิ่งลึกเท่าไหร่ฟังซ้ําเท่าไหร่ศึกษาทำเท่าไหร่พิเท่าไหร่พิจารณาเมื่อไหร่เท่าไหร่ตามกําหนดพิจารณาเท่าไหร่ก็ยิ่งจะได้ความลึกซึ้งลงไปโดยลําดับโดยลําดับเท่านั้นถ้าใครมีปัญญามากอัตราของการย่างลงสู่กระแสธรรมในทางลึกก็เป็นไปได้ควบคับเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ย แม้แต่พระสูตรที่เราท่องได้ฟังแล้วฟังอีกเมื่อเราฟังบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆทาสมาธิฟังทมสมาธิพิจารณาทากรรมฐานฟังก็จะเกิดความลึกซึ้งจับใจยิ่งขึ้นเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นฟังธรรมะเรื่องเดียวซ้ำแทบจะทุกเรียกว่าทุกคาพูดกว็ว่าได้แล้วบรรลุในเที่ยวหลังๆไปโดยลาดับ ก็เพราะเหตุนี้เพื่อนสี่คนเนี่ยท่านเขาวัมปติน่ะเอาโสน้อยกว่าเพื่อนท่านเรียงลําดับชื่อเพื่อนไว้โดยลําดับอย่างนี้ครับองค์คนที่หนึ่งคือท่านวิมละหรือท่านวิมลองค์ที่สองท่านสุภาหุปองค์ที่สามท่านปุณณชิองค์ที่สี่ท่านเขาวัมปติเมื่อท่านเขาวัมปติบรรลุเป็นพระอระหรันต เรียกได้ว่าเป็นชุดที่สามชุดที่สามก็คือชุดแรกเบญจวัคคีแล้วก็ชุดที่สองนะก็คือท่านพยศกับครอบครัวพยศนั้นเป็นอาลหันเลยแล้วก็มาถึงชุดที่สามคือเพื่อนของพยศบรรลุถึงตอนนี้ก็ว่ามีพระหลานเกิดขึ้นในโลกสิบเอดอกคก็เลยเป็นว่าเบญจวัคคีเนี่ยเหมือนมีเป็นสองชุดละ่ะ แต่ว่าเบญจวัคคีชุดแรกนะ่ะฟังทพร้อมกันแต่ก็บรรลุไม่พร้อมกันอยู่ดีเบญจวัคคีอีกชุดหนึ่งก็คือชุดของพยศครับมีพยศเป็นหัวหน้าเบญจวัคคีชุดแรกมีท่านอัญญากรณ์ ญ, ญาเป็นหัวหน้าแต่ว่าพื้นฐานต่างกันเบญจวัคคีฝ่ายบรรพชิตฟังเรื่องมรแปดเรื่องอริยศาสตร์สี่เลยอริย์เบญจวัคคีของพยศเนี่ยเป็นเบญจวัคคีฝ่าย คารวะตรงแสดงด้วยอนุปุพิกถาอ่าทีนี้ยังมีเรื่องของท่านเล่าต่ออีกหน่อยว่าเมื่อท่านบรรลุทำแล่พรรษาแล่ทางกระจำพรรษาอยู่ที่ป่าอีสีปตนะดังที่รู้กันแล้วหลังจากนั้นท่านก็ได้เที่ยวจาริกไปยังที่ต่างๆแล้วก็มีวันหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ที่กลายมาเป็นเหมือนว่าเกียรติประวัติของท่าน ที่พระบุตเจ้าทรงต้องการจะประกาศประกาศด้วยเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นท่านก็ให้ท่านพระขวัมปติแสดงวิมือลองฟังดูนะว่าวันหนึ่งท่านได้มาพำนักอยู่ที่ป่าอัญชว์อัญชนาวันเมืองสาเกตซึ่งเป็นเมืองรองจากเมืองสาวัตถีอยู่ในแคว้นโกศล วันหนึ่งท่านก็เสวยวิมุตติสุขอยู่คือเข้าผลสมาบัตในตอนนั้นน่ะพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สามเณรได้เสด็จมาที่วิหารแห่งนี้อยู่ในอนาบริเวณเรียกว่าที่เดียวกันแล้วเสนาสนะไม่พอพวกเนน ส่วนใหญ่นะเน้นส่วนใหญ่นี่ก็ไปอาศัยนอนนอนอยู่แถวเนินทรายริมแม่นม้ำโซร์ภูซึ่งเป็นแม่น้ําสายสําคัญแม่นม้ำหนึ่งนะในกัมพีทางพุทธศาสนาก็แม่น้ํานี้ก็อยู่ใกล้ๆวิหารครนี้อตอนนั้นนะ่ะถึงเวลาเที่ยงคืนเกิดมีน้ําหลากเพราะว่าในอินเดียในเวลาน้ําหลากนั้นหลากเร็วมากเพราะว่าแม่น้ําโดยมากเป็นแม่น้ําตื้น แล้วเวลาหลากมานี่ก็ท่วมล้นตลิง่งกันเกือบจะทุกสายแม่น้ําที่สายลึกเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยก็คือแม่น้าํากงคาแต่พวกนั้นแม่น้ําทั่วไปจะมีลักษณะอเรียกว่าเป็นนาทีโทษแม่น้ําตื้นๆไม่ค่อยเป็นประโยชน์ในการกักเก็บน้ําหน้าน้ํากอบน้ําท่วมได้ง่ายเพราะนั้นใครที่จะไปพำนักคลางบ้านสร้างเรือนอยู่ตามริมแม่น้ําต่างๆเนี่ยต้อง ดูตามาตาเรือให้ดีพอน้ําหลากมาตอนเที่ยงคืนเนี่ยครับก็เกิดเสียงอื้ออึงของส ม, มเณะร้องลั่นไปทั่วบริเวณพระผู้มีพรภาคก็ทรงรู้ก็ทรงเรียกท่านข้าวามปติบอกว่าดูก่อนข้าวามปติขอให้เธอเนี่ยจงไปสะกดน้ําสะกดน้ําที่หลากมาที่หลากไหลมาจากที่สูงนะ ท่านกวัมปติก็รับพุทธบัญชาเข้าสมาบัดใช้พลังอภิญญาเนี่ยสะกดน้ำที่ไหลมาให้มีสภาพหยุดนิ่งแข็งทื่อเหมือนกับก้อน้องแข็งนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของฤทธิ์เลยทำให้น้ำเนี่ยไม่มาท่วมเนนตายไม่มาท่วมวัดท่วมพระที่อยู่บริเวณนั้นตายมรณาภาพ เพราะเหตุการณ์อันนี้แหละซึ่งพระเนนทั่วๆไปไม่รู้รอว่าเป็นวิมืองของใครที่ตัวเองร อ, อดพ้นจากภัยพิบัติมาเพราะใครวันหนึ่งเนี่ยพระผู้มีพระภาคเมื่อเหตุการณ์อนาโกรวผ่านไปแล้วก็ทรงสแสดงธรรมในถ้มกลางสงแล้วก็ทรงประกาศว่านี่เป็นอำนาจเป็นอนุภาพของท่านข้าวมปฏิ เป็นการกล่าวสันเสริญให้ปรากฏแก่ทั้งมนุษย์และทั้งเทวดาเพราะนั้นในในคาถาต่อไปนี้นะเป็นคาถาที่บันทึกจากพุทธดารัสที่ตรัสถึงท่านข้าววัมปติเป็นการยกย่องมีเนื้อความว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันนอบน้อมพระขาววมปติ ผู้ห้ามแม่น้ำสระพูให้หยุดไหลได้ด้วยฤทธิ์ไม่ติดอยู่ในกิเลสและตันหารายไรไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งสิ้นเป็นผู้ผ่านพ้นเครื่องค้องทั้งปวงเป็นมหามูนีผู้ถึงฝั่งแห่งพบอันนี้ก็เป็นคำยกย่องอทั้งความสำเร็จในทางวิปัสสนาสูงสุดและก็ความสำเร็จในสายสมาธิสูงสุดคืออริยญะ ให้เป็นที่ปรากฏแก่เทวดาและมนุษย์อ่านี่ก็พระบุตรเจ้าทรงยกย่องอย่างนั้นเลยออกมาเป็นลูกของคาถาเหมือนเป็นคาถาประจําตัวของท่านเป็นคาถาที่เป็นเกียรติของท่านที่แสดงโดยพระบุตรเจ้าอ่าท่านเข้าวัมปสินั้นมีเรื่องราวที่ควรจะพูดต่อไปอีกหน่อยก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอดีตถึงเรื่องบุญที่ ท่านได้ทําอะไรไว้คือเรื่องบุญที่ท่านได้ทําอะไรไว้แต่ละองค์เนี่ยผมไม่พูดทุกองจะพูดแต่เฉพาะกรณีที่มองเห็นว่าน่าน่าสนใจเจ้าก็อาจจะเป็นแบบอย่างแก่เราได้ถ้าหากว่าเราไปอ่านพระสูตรสูตรหนึ่งคือพระสูตรที่ชื่อว่าปายาสีราชัญญาสูตรแล้วก็เปิดไปดูตอนท้ายของพระสูตรพระสูตรดีอยู่ในพระธรรปิกดกเล่มที่สิบนะข้อที่ เอ่อก็ไม่ต้องบอกข้อก็อนนะไปดูบัญชีรายชื่อสูตรเป็นสูตรสุดท้ายนะก็จะพบสูตรนี้เป็นสูตรยาวครับแล้วก็พอไปถึงตอนท้ายสูตรเนี่ยมีเรื่องท่านข่าวัมปติเข้าไปเกี่ยวข้องเอที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีเรื่องที่เราควรจะรับทราบเป็นข้อสังเกตข้อรับทราบเกี่ยวกับชีวิตของพระอรหันต์ที่มีปฏิปทามีพฤติกรรมในแง่ต่างๆหลากหลาย และท่านเองก็มีพฤติกรรมของท่านที่แปลกไปจากคนอื่นกรณีหนึ่งคือท่านขวัมปติเนี่ยเวลาท่านหลีกเล่นไปพักกลางวันเกนว่าไปเข้าสมาบัตหลังนงเราจะคุนกับชีวิตของพระละหันว่าเมื่อฉันเช้าแล้วทากิจอย่างอื่นแล้วพอตกบ่ายก็จะไปพักกลางวันการพักกลางวันไม่ใช่นอน แต่หมายถึงการไปเข้าสมาบัติอย่างนั้นอย่างนี้ที่นนทีนีต่างกันสำหรับท่านขาวามปตินั้นท่านจะไปพักกลางวันที่อีกมิติหนึ่งคือแทนที่จะพักที่มิติมนุษย์เนี่ยท่านจะไปพักในมิติของเทวดาเอออย่างผมจะอ่านเนื้อความตอนนี้ให้ฟังในลักษณะคําต่อคํเนี่ยในพระไตรปิฎกบอกว่าก็โดยสมัยนั้น ท่านพระขวัมปติเทละไปพักกลางวันยังเสรีสกาววิมานอันว่างเปล่าเนืองเนืองเสรีสกาววิมานเนี่ยแปลว่าวิมานที่มีต้นศึกยืนต้นอยู่อาจจะมีหลายต้นแต่ว่าที่หน้าวิมานเนี่ยมีต้นศึกปรากฏเราก็ไม่รู้ว่าต้นศึกนี่คืออะไรแต่บอกว่าเป็นไม้ดอกที่มันมีทั้งอาจจะมีต้นศึกในโลกมนุษย์ด้วยก็ได้ไม่ทราบ แต่ต้นสึกสึกบนสวรรค์เนี่ยมีดอกและมีกลิ่นหอมใบหนาเป็นต้นไม้ทิอผมเล่าตรงนี้ก่อนว่าทำไมท่านพระขาวามปติเนี่ยจึงนิยมไปพักที่นี่คำพีท่านก็บอกไว้ว่าเพราะว่าท่านขาวามปตินั้นในอดีตนิยมไปถึงอดีตตรมทั้งกรรมด้วยทั้งความคุ้นเคยที่ได้ทาด้วยในอดีตนั้นท่านเคยเกิด เป็นลูกเจ้าของคอกโคถ้าพูดอย่างนี้ก็คือเป็นลูกชายของเจ้าของความเลี้ยงโคเป็นโคนมสมัยก่อนจะเลี้ยงโคนมกันเป็นส่วนมากเป็นอาชีพสำคัญอาชีพหนึ่งของคนในจมพูทวีปสมัยเก่าก็มีหน้าที่ควบคุมพวกนายโคบานที่เป็นลูกจ้างพ่อ แบ่งส่วนกันไปคุมโคเป็นฝูงเป็นฝูงเอาไปเลี้ยงตามป่าให้กินหญ้ากินใบไม้ไปตามเรื่องตามเปล่าคราวนี้ก็บังเอิญตอนนั้นมีพระอรหันต์องค์หนึ่งที่เจ้าหนุ่มคนนี้คืออดีตประวัติของท่านในชาตินั้นได้จับสังเกตเห็นได้หลายวันแล้วว่าท่านพระคุณเจ้ารูปนี้ซึ่งเป็นผู้มีอาชาราเรียบร้อย มีอาการกริยาหน้าเลื่อมใสได้ไปบินทบาทจากในหมู่บ้านแล้วก็มานั่งฉันในที่แห่งหนึ่งเป็นประจําก็คือที่ที่ตัวเองเอาโคไปเลี้ยงอยูแ่แถวนั้นแหละเมื่อเห็นอย่างนั้นก็นะึกว่าเอ๊ะที่ที่ท่านมานั่งฉันบินทบาทเป็นประจําเนี่ยมันรกมันไม่เรียบท่านก็เข้าไปตัดแต่งกิ่งไม้ใบหญ้าเกริยทรายให้เรียบ หาอะไรต่ออะไรไปปูไปทําให้เป็นที่นั่งแล้วก็หนักก็ทําเป็นมนตดบโดยหาเอาไม้ศึกี่มาทําเป็นมนตดบสร้างถวายพระอรหันต์องค์นั้นแล้วก็ไปไหว้ท่านเป็นประจําเวลาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงกวก่เลี้ยงโอ ก, ก็เลยไปคุ้นเคยกับท่านท่านก็อาจจะแสดงทำโปรดบ้างอะไรบ้างอะไรที่ปณิบัติช่วยเหลือท่านก็ปณิบัตินอกจากว่าท่านจะได้บุญ ได้คุ้นเคยกับพระอระหันต์องค์เก่าที่มานิยมนั่งฉันบินละบาทพำนักอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นธรรมดาว่าคนเราเนเวลาเกิดความประทับใจในสิ่งหนึ่งในสถานการณ์หนึ่งก็มักจะขายายไปถึงบุคคลหรือสถานที่หรืออะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นด้วยจึงเป็นสิ่งที่ทาให้ท่านขวามปติตอนนั้น เ, นเกิดความผูกพันรักใคร่ชอบใจ กับสถานที่นั้นเลยกลายเป็นเหมือนเป็นดวงชะตาในทางการบรรลุธรรมกับท่านสถานที่นี้จึงเป็นสัปปายะของท่านในการต่อมาในชาติต่อมาโดยโดยปริยายตรงนี้นะไม่ได้แปลว่าพระอระหันต์ยังมีตัณหาพระอระหันต์เองนั้นยังมีความคุ้นเคยผูกพันกับความคุ้นเคยในคนด้วยจิตที่เป็นหมากรี ด้วยความรู้สึกรู้ค่าของความเป็นสัพปพปายะไม่ใช่ด้วยกิเลสคือเราต้องเข้าใจไว้อันหนึ่งในทุกๆ ก, กรณีเกี่ยวกับทางศาสนาเนี่ยว่าไอพฤติกรรมอันเดียวกันเนี่ยอย่าไปโยนว่าเป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสที่เสมอไปเป็นหรือไม่เป็นนั้นอยู่ที่บทอธิบายทางความรู้สึกท่านเองนั้นเ ป, เป็นผู้ผูกพันกับที่นี้ด้วยสิ่งสังสมดังกล่าวมานี้ ก็ถึงบอกว่าคนเราได้ทำบุญไว้ที่ไหนกับใครที่ไหนอย่างไรเนี่ยมันจะสะท้อนมาเป็นดวงชะตาของตัวเองในการต่อมาท่านชีวิตท่านขาวมปติเนี่ยเป็นกติเป็นตัวอย่างได้ในแง่นี้เช่นเดียวกับอีกลหลายๆคนที่ยังไม่ได้กล่าวถึงเพราะนั้นเราเนี่ยได้ทำไว้ด้วยอะไรอันนั้นสิ่งทำนองนั้นหรือสิ่งนั้นจะมาเป็นดวงชะตาของเรา เป็นความสําเร็จเป็นความล้มเหลวแล้วแต่เป็นบุญเป็นบาปทําไว้ที่ไหนที่ทํานองนั้นถ้ายิ่งเป็นที่นั้นได้แ ล, แล้วลก็<ม>ก็จะเป็นตัวให้โชคให้เคราะห์แก่เราได้เป็นพิเศษเพราะเราได้ทําไว้ในที่นั้นหรือที่ในทํานองอย่างนั้นเวลากรรมก็ให้ผลเนี่ยอย่างที่บอกว่าทําอย่างไรได้อย่างนั้นทําที่ไหนได้ที่นั้นมันหมายถึงใกล้ๆอย่างนั้นหรือที่นั้นเลย ยิ่งเป็นการดีเป็นการดีแก่กรรมที่จะให้ผลเต็มที่อันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะความจริงเรื่องทํานองนี้ได้เคยพูดที่ให้เห็นในกรณีอื่นมาเป็นที่เป็นที่ลัทธิเตี้ยหน่อยพอสมควรว่าถึงต่อไปว่าเมื่อท่านบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ท่านจึงมาพำนักอยู่ที่เสรีสะกาวิมานซึ่งในนี้บอกว่าเป็นวิมานว่างเปล่าในพระสูตรเนี่ยเพราะเป็นวิมานว่างเปล่าเนี่ยครับ จึงเหมาะแก่การหลีกเล่นของท่านและเพราะท่านมาอยู่ที่วิมานว่างเปล่าเนี่ยว่างเปล่าไม่ใช่ไม่มีเทวดาเลยมีเทวดาอยู่เหมือนกันก็อยู่ในบริเวณใกล้ๆนี้แล้วก็เทวดาองค์ที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านท่านได้มีโอกาสคุยด้วยก็คือปายาสิเทวบุตรปายาสิเทวบุตรนั่นก็คืออดีต ปายาสิราชาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ถูกปราบโดยท่านกุมารลักสปะจนกระทั่งละทิฏฐิกลายมาเป็นอุบาสกได้มาทำบุญแต่เนื่องจากว่าตัวเองนะเป็นคนเพิ่งล้างสมองมาสดๆ เ, เปลี่ยนนิสัยให้มาเป็นคนใจบุญได้แต่ก็เหมือนบ้านนอกเข้ากรุงนะคือยังไม่สนิทการทำบุญจึงไม่แยบยน ดังที่ในพระสูตรได้บอกเอาไว้ด้วยวมเล่าให้ฟังเอาความว่าได้สั่งอุตระมานบซึ่งเป็นบริวารใกล้คิดให้บริจาคทานด้วยปลายข้าวด้วยน้ำผักดองคือเพื่องานาว่าให้ของเร็วๆให้ผ้าซึ่งเป็นผ้าขาดผ้าชิ้นเล็กสั่งอุตรมามนบ ให้บริจาคทานด้วยของเร็วๆอย่างนี้อุตตรมามนบเมื่อทําการบริจาคทานก็ทําความปรารถนาให้ได้ยินไปถึงหูพระเจ้าแผ่นดินถึงปายาสีเนี่ยความจริงไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่โตอะไรหรอกเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรองเมืองเล็กๆเป็นกษัตริย์ที่ไม่ได้ผ่านมุรธาบิสอุตระได้แสดงความปรารถนาว่าด้วยบุญที่ได้ขวนขวายทําในครั้งนี้ครั้งนี้อย่างนี้อย่างนี้ เกิดชาติหน้าฉันใดขออย่าได้เจอเจอกับเจ้าปายาสิเจ้านายอีกเลยเเรื่องก็ไปเข้าพักกันก็ตรัสถามว่าได้ยินว่าเธอทำบุญของฉันและปรารถนายอย่างนี้จริงหรือทำไมถึงทาความปรารถนายอย่างนี้อุตระมานก็บอกว่าเพราะว่าคนที่ให้ของเว็เวๆอย่างนี้แม้แต่ตัวเองเนี่ย เพียงปลายพระบาทก็ไม่ปรารถนาจะสัมผัสถูกต้องแล้วคนอื่นเขาจะบริโภคใช้สอยด้วยความเป็นเป็นปลื้มได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคนอย่างนี้นะอนาคตไม่น่าจะฝากผีฝากไข่ด้วยไม่ได้แปลว่าเกลียดชังแต่ว่าถ้าไปเกิดเจอกันอีกนี้คงจะสมเพศทนไม่ไหวเลยไม่เจอซะดีกว่าเลยขอไม่เจอ เจอแค่ชาตินี้พอพอกราบทูลอย่างนี้พระเจ้าปายาสีก็อเอา้าอย่างนั้นก็ได้เปลี่ยนใหม่ต่อไปนี้อาหารใดที่ฉันบริโภคให้เอาอาหารอย่างนั้นทั้งข้าวปลาอาหารคาวหวานเนี่ยทําอย่างนั้นเสื้อผ้าใดที่ฉันบริโภคให้ใช้ผ้าอย่างนั้นมีความประณีตอย่างนั้นก็ให้อุตรามานพทำ ก็ปรากฏว่าทำถูกซ่องโดยหลักฐานดีขึ้นมานิดหนึ่งแต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ายังทำในลักษณะที่เรียกว่าทาโดยไม่เคารพให้อย่างทิ้งๆิ้งกว้างกว้า ง, ง, งซึ่งอันนี้นนไม่มีโอกาสแก้ตัวตายไปซะก่อนอุตรามานพก็ทำอุตรามานบเนี่ยกลับว่าของประนีตอันไม่ใช่ของตัวแต่ตัวสามารถจะให้โดยเคารพได้ ให้โดยไม่ทิ้งไม่กว้างพระเจ้าปายาสีนะของตัวแท้ๆเป็นเจ้าของทรัพย์สินสินแท้ๆเรียกว่าเป็นในบุญทุนแท้ๆ แ, แต่ได้กําไรบุญได้ผลประโยชน์จากบุญน้อยกว่าคนที่เป็นผู้รับใช้จะเรียกว่าเป็นธาตแรงงานบุญก็ได้ไ อ, อคนรับใช้ได้บุญมากกว่าได้มากกว่าเพราะว่าให้โดยเขารบดังนั้นเมื่อสองชีวิตนี้ทํากาลกิริยา พระเจ้าปายาสิได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาลาชชั้นต่ําชั้นต่ําคือชั้นภูมิมัตตะเตวดาแล้วก็อยู่คนเดียวไม่มีบริษัทไม่มีบริวารเมื่อท่านขวามปติไปเห็นก็ถามว่าท่านเป็นใครก็เรียนท่านว่าข้าพเจ้าชื่อปายาสิท่านขวามปติก็ถามว่าดูก่อนท่านปู่มีอายุ ท่านเป็นผู้ที่มีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกหน้าไม่มีเป็นต้นคือเป็นมิจฉาทิสิเป็นนติกาทิติอหตทุกขาทิฏฐิอกริยาทิฏฐิหลายๆอย่างเนี่ยแล้วมาเกิดที่นี่ได้อย่างไงปายาสีเทพบูตรก็เล่าให้ฟังว่าเพราะว่าได้ถูกท่านโกมาลกัสปาถอนทิฏฐิจึงได้เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ถามว่าแล้วอุตรมาโนบเราไปเกิดที่ไหน ปายาสีเทพบุลก็บอกว่าอุตรมามนบนั้นไปเกิดที่อื่นคือไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีกามันเป็นทิพย์ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเบญจากามาคุณทั้งบริษัทเ ร, รวาลสังคมเบื้นฝูงเนี่ยสมบูรณ์ทุกอย่างพระเจ้าปายาสท่านขวัญปฏิก็ถามว่าเอาเพราะอะไรล่ะก็ท่านเองเป็นผู้บริจาควัตถุทานเหล่านั้นแท้ พุทธะมานพเนะ่ะเพียงแต่ทําให้ท่านทําไมถึงได้สวัสวิบากที่ดีกว่าปายาสีเทพบุตรก็เล่าความให้ฟังดังกล่าวมาแล้วก็ฝากท่านเขวมปติลงมาแจ้งแก่มนุษย์ว่าขอพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจงไปบอกแก่มนุษย์เมื่อกลับไปว่าได้ไปเจอปายาสีเทพประบุและได้ไปทราบข่าวอุทระมานพผู้เป็น บริวารเก่าของปายาสีเทพบุตรเไปเกิดในชีวิตใหม่ที่แตกต่างกันเพราะการทําทานมีความต่างกันโดยที่อุตรมามนพนั้นให้ทานโดยความเคารพในนี้มีบทบรรยายละเอียดนะผมจะว่าจะว่าละเอียดแล้วก็เห็นเยอะไปว่าให้โดยเคารพให้โดยมือให้โดยนอบน้อมให้โดยไม่ทิ้งกว้างไอ้พวกนี้นะก็บอกว่าอุตรมามนพนั้นะห้อย่างนั้นไปเกิดที่หนึ่งเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย ขอให้ทานทานหลายเมื่อจะให้ทานเนี่ยให้ทานโดยประณีตด้วยแล้วก็ให้ทานโดยเคารพโดยมือของตนเองโดยความนอบน้อมจงอย่าให้อย่างทิ้งกว้างเหมือนอย่างเจ้าปายาสิเลยแต่จงให้อย่างอุตรามาโนบให้เถิดเนี่ยสั่งอสงานกวัณปติมาบอกแก่มนุษย์อย่างนี้ท่านก็วัณปติก็เมื่อมาถึงโลกมนุษย์ก็มาบอกแก่มนุษย์เท่าที่จะบอกได้ ท่านก็เลยเก็บเอาเรื่องนี้มาใส่ไว้ตอนท้ายของประสูนย์ เ, เพราะฉะนั้นเรื่องท่านปายาสีเนี่ยอท่านโทษท่านเขาวรพติเนี่ยเพราะได้ทําบุญคุ้นเคยอย่างนี้เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วยังมีความรู้สึกไปอยู่ที่นั่นไปหลีกเล่นที่นั่นไปเข้าสมาบัติที่นั่นเป็นสาวปยะดีก็ผ่านเรื่องท่านไปนะมาถึงอีกองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งนะชื่อว่าพระติดสะ องที่สามสิบเก้าอันนี้ก็ต้องเตือนว่าถ้าอ่านคำพีในพุทธศาสนาแล้วเจอพระติสสาเนี่ยโปรดนึกไว้ล่วงหน้าเลยว่าเป็นพระติสสาองค์ไหนหาให้แน่ติสสาเป็นชื่อนิยมตั้งเหมือนอคนไทยเราก็มีชื่อเป็นชื่อนิยมตั้งอเมริกันรัสเซียญี่ปุ่นเกาหลีก็จะมีชื่อนิยมตั้งที่ คนแต่ละชาติแต่ละชาติจะมีชื่อใช้ร่วมกันมากถ้าพูดถึงว่าสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าถามว่าพระองค์ไหนมีชื่อซ้ํากันมากที่สุดตอบได้เลยท่านติดสะเพราะฉะนั้นจึงต้องเติมว่าติดสะไหนติดสาไหนสําหรับท่านติดสระองค์นี้นะ่ะเป็นองค์หนึ่งที่บางทีท่านจะไม่ได้ยินประวัติมาก่อนแล้วก็ประวัติท่านน่าสนใจให้ข้อกี้เกลามากท่านติดสะ องนี้เป็นใครตอบว่าท่านเป็นชาวแกวนสักกะเกิดในรั้วในวังคือเกิดในกรุงกบิลพัทแล้วก็โดยศักนั้นมีฐานะเป็นน้องชายพระพุทธเจ้าเป็นลูกใครตอบว่าเป็นลูกอาหญิงของพระพุทธเจ้าคื อ, อพระพุทธบิดาเนี่ยนะมีน้องชายอยู่สี่พระองค์ ก็จะเอ่ยชื่อก็ได้ความจริงมีบัญชีเครือญาติพุทธเจ้าอยู่ในที่นี้ไม่แจกให้ดูก็เอ่ยให้ฟังเป็นชื่อก็แล้วกันท่านองค์ลองจากพุทธบิดาคือสุโกธนะองลองลงไปอามิโตธนาะองค์ลองลงไปอีกโทโตธนาะองค์ลองลงไปอีกฆานิโตธนะหนิบ เป็นน้องชายสี่องค์รวมกับพุทธบิดาแล้วกับแม่แล้วก็มีน้องสาวอีกสองปาฏิตาพระนางปาฏิมากับพระนางอมิตาอีกสององค์ท่านติสะเนี่ยเป็นโอรสของพระนางปาฏิมาคือเป็นอาหญิงคนแรกมีพ่อโอรสชื่อว่าติสะและได้ออกมาบวชก็บวชในบวชตามพระพุทธเจ้าอะ ไอ้เรื่องเรื่องตามๆกันเนี่ยมีทั้งตามตั้งใจแต่ทีแรกตามเพราะเหตุอื่นตามเพราะเหตุเลื่อมใสก็มีหลายอย่างแต่ว่าตัวหนุนหลังสําคัญเนี่ยก็คือบารมีที่สร้างร่วมกันมาถ้าเป็นอกุศลละกามก็บาปที่สร้างร่วมกันมาอ๋ออันในนั้นเวลาเขาพิมพ์เขาซ่อนตัวอะไรตรงไปนะชื่อจริงๆก็ติดตแต่ว่า ในนั้นเขาเอ vul, ในในหนังสือเนี่ยเขาจะใส่ต่อเต่าสะกดไปตัวด้วยนะะเป็นติดเป็นติดสัตอ่าติดสัตคขาใช่ไหมติดสัตคข า, าติดสัตเทาาาละคถาก็จะมีตัวเต่าสะกดทุกตัวหลายชื่อของพระก็หลังวเวลาแล้วออกเสียงจริงๆเนี่ยอไม่ต้องใส่คําสะกดหลังเพื่อให้เกิดความสลัดสลวยอย่างในในพระไกบิดกที่เรียกเป็นชื่อเกาเรียกว่าติดสัต องค์อื่นก็ไม่ต้องออกเสียงต่อตา่าเหมือนกันหมดชื่อตัวของท่านก็คือติดสาการ น, นี้เมื่อเอาตามเสด็จออกบวชเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุแล้วอะไรแล้วนะนะแล้วก็มีพญาตรออกบวชเข้าไปเยอะแล้วท่านก็เพิ่งออกตอนหลังๆก็เมื่อบวชแล้วก็ไปพำนักอยู่ที่ราวป่าอาราวป่าแห่งหนึ่งคือที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่บอกอะเนื่องจากว่าจะต้อง อ่านพระสูตรซึ่งไม่ยาวนักและน่าสนใจให้ฟังตอนนี้ผมเล่าประวัติซึ่งมีที่มาจากที่หนึ่งก่อนเอในนี้ได้เล่าว่าเมื่อไปบวชอยู่ในป่าเนี่ยคือพูดง่ายว่าสมัยก่อนนะบวชแล้วก็มักจะเป็นพระป่ากันทั้งนั้นแหละแล้วก็ดูผลอเผลอทางพฤติกรรมภายนอกความเอยู่ก็เหมือนจะเป็นพระป่าเคร่งกรัดแต่เอาเข้าจริงแล้วไม่ใช่ล่ะครับ ท่านมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตัวเองประการหนึ่งคือเป็นคนที่เมาชาติเมาชาติเนี่ยหมายถึงหยิ่งในชาติยกตนด้วยอำนาจของชาติชาติหมายถึงขัดติยะชาติพูดอย่างอีกคำนวนหนึ่งก็คือเกิดมีขัตติยะมานารุนแรงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสักยะสกุลเนี่ยมี กุลบุตรเป็นถึงพระพุทธเจ้าก็ทําให้เกิดคาตยะมานะแรงยิ่งขึ้นเลยเกิดเป็นอุปสรรคกัดกว่อตัวเองประการหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ถือตัวแล้วก็ว่าเลยทําให้เป็นคนที่มากไปด้วยความโกรธและความขับแค้นที่ใช้คําว่ามากไปด้วยความขับแค้นเนี่ยเคือคนที่มีลักษณะถือตัวจัดเนี่ยหาช่องว่างที่จะนั่งที่หายใจลําบาก ไปที่ไหนมันก็คับหมดใช่ไหมมันอื่นอานไปหมดครบกับใครก็อื่นอ่านหมดภาษาพระท่านจึงใช้คําดีอ่ะคับแขนแล้วมันก็กินกันไปถึงข้างไหนมันพูดถึงความรู้สึกต่อให้ไปอยู่ที่โล่งๆกลางไร่กลางนาก็คับคับใจขับแขนเลยมากแล้วก็ต่อไปท่านยังบอกนะบอกมากด้วยการยกโทษผู้อื่นเพ่งโทษผู้อื่นคือจะไปอยู่ที่ไหนในเห็นแต่คนอื่นเขาเลวไปหมด เขาต่ำไปหมดเขาไม่คู่ควรไปหมดนี่เป็นลักษณะที่ไม่ดีของท่านติดสะจึงเป็นเหตุทำให้ท่านเนี่ยไม่เป็นอันได้ขวนขวายประพฤติสมณาธรรมเพราะมัวแต่รู้สึกว่ามันมีแต่ข้อแม้ด้วยเรื่องถือตัวถือตนคนนั้นก็เลวคนนั้นก็ไม่ดีพั่วไปหมดเลย แล้วคนอย่างนี้จะไปประพฤติธรรมได้ยังไงทีนี้วันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทง่งใช้ทิพะจักษุเนีเล็งเข้าไปที่พักของท่านติศะแล้วก็เห็นว่าเหตุการณ์ตอนนี้ควรจะดัดสันดานท่านติศะ เ, เหตุการณ์ที่ผมว่านั่นคืออะไร คือท่านติดสะในเวลากลางวันเมื่อว่างผู้คนเมื่อไม่ได้เข้าสังคมพวกใครเมื่อไม่ได้เป็นอันประพฤติสมณธรรมเวลาส่วนใหญ่ของท่านก็ให้กับการทําอะไรดีกัะนอนถ้าตื่นขึ้นมาก็ว่าคมันก็หนีประเวทนี้เวลาเข้าทีพักกลางวันอยู่ผู้เดียวก็ไม่เป็นอันประพฤติสมณะธรรมก็เลยนอนแล้วคนเมื่อไม่ได้ประพฤติธรรมเป็นคนที่มีสติบุกร่องเนี่ย เวลานอนแล้วอาการมันไม่น่าดูท่านติดสะนั้นตอนที่พุทธเจ้าทรงสเสด็จไปทรมานเนี่ยท่านพัลนาว่านอนหลับอ้าปากน้ำลายไหลหรือเปล่าไม่ได้บอกสงสัยจะไหลมั้งนอนหลับอ้าปากสงสัยจะกลนด้วยผมว่าเป็นอาการกริยาที่ไม่ใช่การนอนอย่างสมณะวิสัยผู้ประพฤติธรรมพระพุทธเจ้า เล็งพระเนตรเห็นอย่างนี้จึงได้ทรงเสด็จไปโดยพระองค์แต่ว่าทรงเสด็จไปโดยฤทธิ์คือเหาะไปในอากาศแล้วก็ประทับอยู่บนอากาศอยู่บนคล้ายๆบนที่นอนเลยบนเตียงเลยละพูงง่ายๆแล้วก็ตรัสคาถาปลุกด้วยคาถาปลุกให้ตื่นแล้วก็ให้ตื่น ขึ้นมาในลักษณะที่เรียกว่าพระพุทธเจ้ากำลังมาโจดความน่าสมเพชความไม่เอาไหนในการบวชของท่านติดเมื่อท่านปลุกให้ตื่นก็ให้โอวาสเพื่อเป็นการให้สติกับท่าน เ, าเลยจะชวนให้ฟังคาถาพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสเรียกว่า เหมือนกับเป็นการใช้ประตักแทงแทงให้ตื่นปลุกให้ตื่นเป็นไฟคล้ายๆใช้ไฟจี้ให้ตื่นปลุกขึ้นมาเพื่อเผากิเลกกันตอนนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุรุษถูกแทงด้วยหอกหรือถูกไฟที่ไหม้กระ ม, ม่อมแล้วรีบรักษาฉันใดภิกษุพึงเป็นผู้มีสติเว้นรอบ เพื่อละความกำหนัดยินดีในกามฉันนั้นนี่เป็นคาถาที่พระเจ้าทรงตรัสปลุกว่าคือโดยความหมายก็คือภิกษุเนี่ยไม่ควรจะมาอยู่อย่างนี้ทําอย่างนี้ควรจะรีบทำเรื่องราวที่สำคัญคือละกิเลสจเจริญกุศลในจันทาวนาโดยความหมายว่าอย่างนั้นท่านติดสาก็ตื่นตื่นเรียกว่าตื่นทั้งตาและตื่นทั้งสติ ตานอกก็ตื่นตาในาก็ตื่นเมื่อตาในาตื่นขึ้นมาอย่างนี้ท่านติดสะนั้นก็เกิดความละอายแต่ละอายอย่างนี้ไม่ใช่อายแบบอกุศลจิตเกิดความรู้สึกละอายด้วยฮิลิโอตาปะที่ละคนด้วยความสังเวชจากนั้นจึงคิดว่าเราต้องเอาจริงเอาจรังกับการปฏิบัติจึงขวนขวายในการปฏิบัติวิปัสสนา เือเหมือนเป็นการกู้ความผิดของตัวเองในที่สุด <c oughs> ไม่นานนักท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอาราอ่อพระสูตรที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มสิบกเนี่ยท่านตั้งชื่อว่าติดสาสูตรอยู่ตอนท้ายเล่มเลยในนั้นไม่มียรากนะองค์กำลังจะอ่านให้ฟัง <c oughs> เห็นเป็นคติดีครับพระสูตรนี้เนกะิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรง ให้อววาดอันเป็นเหตุทำให้บรโลอัลหนันอย่างที่เล่าไปแล้วเป็นการสอนในเชิงควบคุมพฤติกรรมของท่านติดสะในช่วงใดช่วงหนึ่งตอนใดตอนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับท่าน เ, าเรื่องนี้ขอให้ฟังไม่ <c oughs> ติดสะสูตรพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเชตวันอารามของท่านอนาถาบิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีี่หมายความว่า อตอนนั้นเมื่อทันติสะบวชแล้วไปพำนักอยู่กับพุทธเจ้าโดยส่วนใหญ่ที่เมืองสาวัตถีไม่ได้พำนักอยู่ที่เมืองกบิลพัทหรือที่นิโคโลทาลามครั้งนั้นแหละท่านติดท่านพระติสะผู้เป็นโอรสของพระเจ้าอาของพระผู้มีพระภาคเข้าไปฟาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาทแล้วนั่งเป็นทุกข์เสียใจหลังน้ำตาอยู่ณนะที่ควรส่วนครั้งหนึ่งร้องไห้อยังมีที่ควรลำดับนั้นแหละพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระติสสะว่าดูก่อนติสสะชนไหนหนอเธอจึงมานั่งเป็นทุกข์เสียใจหลังน้ำตาอยู่ทุกข์นี่หมายถึงทุกข์ใจหรือทุกข์กายท่านพระติสสะกราบทูลว่า ข่าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งหลายกรุ่มลุมเสียดแทงข่าพระองค์ด้วยวาจาดุดประตะเข้าใจั้มคำดูดาว่ากล่าวคำเสียดสีคือพรุสวาสกับปิสนวาทบางแต่ในที่นี้เน้นเอาปรุสวาทพระผู้มีพระตลาดว่าจริงอย่างนั้นติดสะเธอว่าเขาข้างเดียว แต่เธอไม่อดทนถ้อยคำก็คือวงเล็บว่าที่เขาว่าข้อที่เธอว่าเขาข้างเดียวไม่อดทนต่อถ้อยคำนั้นไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรออกบวชเป็นบนรรพชิตด้วยศรัทธาแต่ข้อที่เธอว่าเขาด้วยอดทนต่อถ้อยคำได้ด้วยนั่นแหละสมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรออกบวชเป็นบนรรพชิตด้วยศรัทธาข้อความตัว น, นี้ ต้องอธิบายนิดน่ะอธิบายยอ่อประการที่หนึ่งเนี่ยเนื้อความในประสูตร์บอกชัดว่าท่านติสสะเนี่ยมีลักษณะชอบว่าคนอื่นแต่เวลาโดนเขาว่าบ้างทนไม่ได้แล้วก็เกือบจะเป็นลักษณะ